เป็นเทศของท่านอาจารย์พรหมหาบัวซึ่งลงสดแสดงณสารารงคลัวเช่นเดียวกันในตอนเย็ยนสิบแปดนอของวันที่สี่พฤศจิกายนสองพันหรอยสิบปดึงส่งที่ละเอียดและกว้างขวางมาก อาจจะแยาจากจะแยกไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปลไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดหาไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทมเจออย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปลถึงใจกันดิจะรู้ทรมากขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้น ที่ท่านแสดงว่าสีนี้ออกมาจากธรรมมันแค่สีทเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือสีนี้ก็เป็นขแขนงของธรรมธรรมจรึง ป, ประจักษ์ขัดใจโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่รู้ธรรมอันแ ท, ท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปลไล้เท่าไหรก่ก็ไม่หายของสั่ ไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมไม่มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มีรู้จิตันลงได้เลยงา น, นเพื่อการที่จิติ่งควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมปะจับใจแล้วสหายสงสัยโดยลำดับหนึ่งเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงเหตธรรม มากน้อยเฉียงไงจะหายงสงสัยไปโดยลาดับลำเนาเมื่อรู้ทาถึงใจใจสมบูรณ์กับทาทำสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งสิ้พระพุทธเจ้าก่อนจะนํธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่ไม่มีใครสั่งสอนทง เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไมใ่ใช่คำเสกสรรหรือคำสมมุติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้มีปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาติเมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่กระจักจี้ภายในพระไทยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจ อยากจะทราบความจริงแย่ารทอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเงี้ยพอใจที่จะจะไปปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมมันเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนขวามสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบิกบุนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีลหลักความเชื่อเป็นสำคัญน การเรียนทำภายนอกก็เพื่อจะรู้ทำภายในการจดจำทำภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายใน อ, อะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี่ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในใจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใด เรื่อบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดย่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขจิงที่เกิดกับใจของผนส่วนมากเขาเป็นจินอูปฏิบัติจึงต้องมาสนใจ ที่ตัวเหตุนสำคัญดังพระอัสสกิแสดงจากศาษาดิบมาเยธรรมมาเหตุตุกตะหวัวเจ้ตั้งเหตุจริง เ, เ, เงดยงยือ่ากับตุกเจ้าหลงจากเยนิโรทุจารีวังโมดีห้าสมณะทาทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อถดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนี้นคืออรรรห์ อยู่ที่ไหนเหตุก็ได้เจรใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัตจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีดุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์รานี้ก็ขนาลหลักสนิดจิตไม่สร้างที่เล่ ก, ก็คงจะนอนอะไรก็ไม่ร นอกจากานั่นเป็นเวลาทำงานของวัตจักรอยู่ภายในยใจิตใจเราพูดต้องการที่จะแก้คงจับซึ่งผันจิตใจในร่างความลำบากลาบนโลกบนอยู่ในวัตะสังสารจึรงจำต้องแก้ที่ใจตัวซึ่ปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่ จะควรสมเสริมคุอสติปัญญาสักนาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นพุเป็นภัยแก่จิตใจทั้งผนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกวิเวทจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่าิเวทซึ่เป็นภัยต่อสัต์โลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนเราเกาไม่ถูกที่คัน มันก็มาหายขันต้องก้าวให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจุดของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกพุงอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจค้างแก้ลงตรงแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใด จะพ้นชายสายตาของมัตติมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานํามัจนาปฏิปทา น, ปปทานไปใช้ให้เต็มพูนเป็นคุณสมบัติของมัตติมาเจเลยจะมีมากน้อยเียงไรก็ทนอยู่ไม่นานเจเลยจริงกลัวต้องแต่ทำคือมัตติมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามาหมายถึงเรื่องความเสียดสี กาเรเลี้ยงธนาก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดอดร้อนให้แก่ตัวของเรานันเองสรรมาทั้งกระโปสงมาที่สี่สมาทั้งกระโปรสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสรรมาวาจาสมากามันโตสมาเียวนี่ก็ออกมาจากนั้น เอามาจากสมาทิฏฐิสมายงดเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงผู้สัมมาสังกัปปะโตสัมมากัมมันโตทําการงานช่อบอวยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งงานแก้ที่เหลือเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติโตขหลเร า, าไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหลือแล้วสลุกเข้ามาให้ถูกตุก สัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนยิเหลนนั่นแหละเชื่องานชอบประเด็นอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทําไม่ขัดกับทำสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องอัดเรื่องทง มีสันเดย์ักษานสิบประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งทอบอย่นั่งสมาธิก็นั่งนั่งกายมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองชอบอะไรนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียร์ก็ชอบนั่งคัสมะก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนที่เละเพื่อการรับดับที่เละโดยลำดั เป็นการงานที่ชอบเท่างนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันตุคือการงานชอบธรมมาวาจาก็กล่นนาวคุทนะการรบกันเรื่องการแก้ที่เหล็กธรรมาชิโว่เรืงจิตชอบขอรัมมันระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตระคิดอารมณ์ที่เป็นทุทเป็นภยัยมาทําลายตัวเอง อย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตไม่ชอบนะอารมณ์ย่งธ ท, ที่เป็นที่เหมาะที่สมายถ้ามีความรุ่นรงจะจิตใจจิตใจเพื่อเกิดปฏิบัติด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบยอนเข้ามานี่นะเรายนนั่นนะถ้มีโอกนั้นอยู่โกยนเข้าเข้ามานอกขยายออกโอก็ย้นเข้ามาภายในขยายออกไปนอก ใ่าได้ทั้งสันทั้งคมทั้งปลายทั้งดาบนองมันทั้งข้างมันใ่าได้หมดมีดเลม่มในเวลาที่ควรจะใช้นั้นถมีดเล่นั้นด้วยประการอะไรเราใชา้อันนี้ก็เหมือนกันธรรมาสติเคยเลือในงานที่เห็นว่าชอบ ลาที่เก่ามาแล้วนี้ธรมมาวายโมก็เพียนทอบเพียนละเพีย่ยนบำเพ็ญเนี่ยละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนคืที่นี่อีกแหละสรมาสมาธิความสงบที่ชอบ ไม่ใจสงบแล้วก็ปล่อยจิตุ้มเพ้อเหมิมไปตามนิมิตอะไรต่างๆมองไปดูสวรรค์ขั้นชมนี่มั้งไปดูนรกมั้งไปดูสวรรค์นั่งนรกในัวใจไม่ยอมดูผิดมาทิพยมาทิพย์นายลถึงนถึงนี่ระเทดดูกันอาวาถาหลอกเองไปเรื่อยๆดูไปมีดีสวรรค์นังานนี้ท่านชมไปเรื่อยๆบางทีเป็นถึงนิพพานกงมี มันบ้าขนาด น, นั้นองนสมาธินี้ได้กว่าสมาธิประเภทบ้าไม่เขา้าสมาธิที่พระน่าสัมมาสมาธินั้นอยู่ถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสงบเพราะความสงบนั้นไม่ได้สงบจากสิ่งนี้แล้วก็ยุ่งเหยิงพู่นวายกับสิ่งนั้นที่นั้นเช่นสงบสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมนาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบ กับอารมณ์นิมิตต่างๆขึ้นไปทเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรลกถินนั่นถิ่นนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่พอถ้าสงบตามหลักสมาสมาสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อควนโดยลำดับกันเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อควนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสมาสมาธ องค์ม้าแปดนี้นี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเพื่อการแก้ปิ็กรประเภทต่างๆทาพุทธเจ้าพอดีสาวกทั้งหลายพอดีท่านดำเนินอย่างนี้เห็นมื่อข ย, ยายออกไปทางคารวาสก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ปิะเภทั้งเราเราต้อ แ, แยก อ, อกไปจนี้เก่นงการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบการทำมาว่าจางชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละท่เรียกมัดขีนมาคือถ้ำกลางอยู่เสมอเหมาะยี่งยังไงเหมาะส ม, ะ ม, ะมะอยู่ตลอดเลยละไม่ยิ่งไม่หย่อนในการ ทำลายค่าสุดคือวิ่ิใหเหมาะสมพอดิบพอดิบพอดีแล้วทาเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาแล้วมีกำลังแล้วเข้าไปสุดติช่วงเดียวแ้มาทิพติดมาสิงคโปร์ก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่แม้วมาสติมเหมื อ, น, อนกอันสติรปลุกรอบตัวอยู่ ไม่ไปที่ไหนเขากิเลสมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะนับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจสตาทาทีส่ว น, ททวนหนึ่งในส่วนประการใดสมากรรมตาของงานทอบนั่งอยู่ก็เป็นงานทอบเดินอยู่ก็เดินทํางานนั่งก็นั่ ง, งทํางานแช้กิเลสยนืนก็ยืนทํางาน นอนก็นอนทํางานจนกระทั่งหลับไปทํางานเพื่อตอบถามอยู่เลยทำมาอาชีวะกับจิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกดทับกับขันของเราไม่เป็นพิษเป็นภายต่อร่างกายรับทานหนึ่งแล้วแม้จะเริ่มรับทานก็มีความสบาย มันเอร่อยแล้วทางนี้นก็ไม่เป็นภัยมันมีความสูกกายนะนี่ใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยนะมีจิตใจเมื่อในอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมพอไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอนั่งจิตก็นะจะมีความเครื่องขึ้นมาโดยตรงนะแล้วมีความชึ่งเย็นไปเรื่อยๆแล้วมีกําลังขึ้นพัฒนาในตัวเอง เพราะอำนาจแห่งการบํารุง ส, ส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการาต่างๆที่กิจจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามากักรวมแล้วเรียกว่ามักคือทางําเนินมกักข้าเว่าทางพระติปชาคือการดําเนินการเนินดําเนินด้วยตามที่ถูก ละด้านทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทะการภาวนาให้จิตได้รับความสงบเมา่อจิต้งบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลนะคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันน่ะ อันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมําว่าธรรมมันแยกเรื่องที่เดชก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมก็ไม่ทราบคือการแก้กันละการถอดการข อ, ร อ, อ, อนที่เดชได้ประจับประจับนึกก็ทราบว่ากี่เดชประเภทใดชนิดใดรู้ประจับใจไม่สงสยัยหรือเร า, าทั้งที่มีที่ดเดชเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากี่เดชมันคืออะไรนั่นเดช เราก็พิเรลดมันแยกกันไม่ออกเพราะว่าพิเรลดมันก็กระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนพิเรลดเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดถ้ามันเป็นเราทั้งหมดอือะไรมาแตะต้องมาหน้ามันจะมาโดนพิเรลด์โดนพิเรลดก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกทําเข้าไปจับพิเรลดมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นพิเรลดก็รู้ว่าเป็นธรรม อะไรเป็นเราอะไรนะั่นเป็นเราองคนรู้นคนจะแก้ที่ตรงนี้อพุธเจ้ามมเนด้สั่งสอนโลกไว้ด้วยโงคะธรรมสั่งสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นกระจักแจ่โลกตั้งแต่ขนาดเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติไป เรียกว่าทํานี้ข้าทายหรือประกาศความจริงอยูก็หลายเวลาก็ไม่มีอะไรจริงความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัจสิโกเหมือนลงประกาศค่าทายรูสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่ภายในติดในภายในตัวถ้าดูไปแล้วต้องเห็นนะเอหิเแล้วท่านต้งดูนี่มันประกาศอย่างนี้ความโลคความปวดความหนุนความโมโหโทโปมขึ้นอยู่ที่นี่ ทวาดูความงามความเลือกความเย็นนี่เกิดที่นี่นมเกิดที่อื่นดูตรงนี้อเดี๋ยวจะเรียกคนอื่นมาดูมีปาิโกสามารถเรียกคนอื่นมาดูหน้ามาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่ามากันหนึ่งมาดูที่ทําของกินของกินเขาจะว่ามานครับองนี้ไปที่ไหนนึกคนตรงนี้ไปที่ไหนทาไมเรียกเขามาดูของกิน ของกินมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ยัง่ถ้าไม่ดูของกินที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาพัทนาของมเพียงนั้นจะไม่เห็นของกินนั่นเรียกว่าเอหิปติโปดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางกายหูสายตาจมูกนิ้นกายใจ น้องเขามาสี่ใจกับเนื้อพิจารณาเทียบเทียงกันให้ได้สักโดยส่วนส่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยลางกันได้โดยง่ายผลก็ปรากฏขึ้นตามเจารณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกก็เขาไม่ตาจริงๆจะเราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไต่ว้ตามคำพีร์ใบลายน หมอไปว่าตามมัดตามวาตามพระตามโน่นตามครูวาการตามนักปราชญ์ทั้งหลายเพี้ยเรายอมอยู่ให้เฉยให้เป็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการทำนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ติดไม่เกี่ยวกับธรรมวะไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวะพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับขระไปนั่นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองยังไม่มีอะไรเป็นของสําคัญ แต่อยู่ในวัดก็คือทำสอนมหาเหล่านี้ในคำพีก็คือทำสอนมหาเรล่านี้ที่ไหนเรามื่อมุ่งต่อการทเพื่อความจริงความเที่ยงแล้วจะอยู่ที่ไหนประกามที่ว่าความจริงนั่นเงเล่าเขม่าให้เป็นประโยชน์แก่ตรงแล้วก็ศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทําให้เป็นให้กลุมคืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันอาที่ไหนนนเขเคยพูดว่าพาตัดศาสนาอยู่ ศาสนาักเป็นอะไรที่นี่ต้องผ่าตัดครันชื่อที่จะจะผ่าตัดศาสนามัมนก็คบ้านนันองันรู้จักศาสนาที่ไปผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษตุงทายแก่ผู้ใดก่อความยุงยากให้แก่ผู้ใดที่นี่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคกายหมอเขาจะผ่าตัดแล้วนี้ตรวการาทีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นต้องควรเขผ่าจะตัดตัดขึ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่สุกวิสัยก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอำนาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่ถุกวิสัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดน่าจะตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหะพอให้เป็นน้ําใจ่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อนคนไข้ ค่าก่อนจนไข่ไม่ตรวจเข้าไปไหนหมอผูผ่าตัดเขาทำแบบไหนไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดตัดขนานมันเป็นมมห il มอหรือเป็นตยะบาลหรือเป็นหมาไปหรือเปล่าอยู่ๆเบ่อเย็นน้อยแล้วไม่เบื่อมากน้ำยังไม่ทำลายตัดขนาไม่ผ่าตัดถนานทำไมมนุษย์มาผ่าตัดตัดขนานเป็นอะไรตัดขนานเป็อะไรยังต้องผ่าตัดความร้อนความบุ๋มบาย อยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นค่าสิดธรรมนัติฐานตัดนที่ถึงนั้นถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุดแต่สมวนรวมจริงๆก็พาตัดกคงที่เป็นค่าสุดต่อกันดีู่แลนี้ภายในจิตใจของบุคคลกับละคนนั้นตินั่นจะเป็นการที่าตัดถูกต้อหรือตรวจโรคจะถูกสมมตฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนและจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันว่ายิธีใดแก้ไขด้วยยุทธีหดผาตัดกันด้วยยุทธีใดนั่น อมู่ๆก็จะไปพาตัดศาสนาไม่หายศาสนาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดียวพาตัดศาสนาที่เด็กเต็มตัวความเลี้งตามนี่ปวดหัวนักนันจะกล้าสามารถปวดรุกปวดฉลาดกระศาสตร์ตะสกานาอะไรบอืง น, นันไม่เร็วกับาตัตรปแล้วเหรอนันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้จยินแล้วมันต้องเข้าไปนวใจมันต้องมาคิดสิ อ้างนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเรายื่นเข้ามาพาตัวขพวกเราเนี่ยพาตัดศานาศาสนาภายในตัวงเราจะผ่าตัดที่ไหนพาตัดที่เลสเลยไม่ว่าพาตัดศาสนาโอ้ขวางแล้วกั น, นาตัดทิเลสทีเลสนั้นแหละมันเป็นภายต่อติดันของเราความโลคความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในติดใจซึ่งภายในมาทิ่เลสแล้วมันควรพาตัดมันทั้งนั้น กำลังมันออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแทรกไม่มายัน่นยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าท่านทรงข่าตัดแล้วด้วยมัชชินาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ข่าตัดพิเดษโรคเหล่านี้เป็นประเภทต่างๆอะไรจิตใจแล้วด้วยมัชชินาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโลกไทยที่เกิดจากพิเลษทั้งหลายและพ้นจากโลกสองสารคือความนยือย โดยไม่มีทางชิงสัตนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลโดยตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดที่าา ท, ทีไหนให้พยายามกันมันจะโลกยืดหลังานานๆ ห, หลายพบหลายพบหลายขาดหลายกลับหลายกลับสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดีสรมชาติสมมติฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรม โรคของเราจะได้หายโรคใจนี้เป็นโรคสําผัสโรคใจนี้นเป็นธรรมดาธรรมดาแต่โรคใจนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแนะ้ะมันรุนแรงมากเก็ียดแ ค, แคนี้ตลอดเวลาถ้าพยายามผ่าตัดมันด้หายโครคภายในจิตใจแจะหยูดเย็นเป็นจุดเอาล้วการสแสดงทาแสดงธรรนี้ เรามาทาหาไม่ฉันว่านี่ทรมานยิ่งเลยตอนนี้ตอนทรมานยิ่งเลยแล้วเป็นไงทลมานยิ่เลยยิ่งเลยไะมานเราบ้างเรืมันก็เอาบ้างถ้าถ้ามันเอาบ้างมันเอาบ้างแร้วมันเอาจนขี้แตกนะนี่เหอเอาคนขนาดนี้เอาขนาดนี้เราไม่เจ้าพระจันทร์บ่ายวนนี้นะไอ้ยิ่เลยทรมานเราแล้วมันเอาจนขี้แตกนะ ให้เราทรมานก็น <centre> ิดหน่อยแล้วออกข่าวเนยงไงแนี้ยแต่ว่านี้ยังบิดนะว่าการบ่ายแล้วฟาดแบบเฮ้ยเหรอว่าเราอยู่ายในเราอย่างขบขันมีหลายแง่เนี่ยที่สิบครูทั้งเขาพูดทั้งหลายเดียไม่ได้หมายถึงน่าจะพูดเทาน่องยร์น่าะก็อันนี้เป็นเหตุถ้าที่เึีย่าอะไรอยู่ด้วยกันนั้นเรได้ฟังหมดเรื่องขบขันไป่ันหมดวันนี้เอาอ่ยอกย้อนหลายตลบครบทวนเนี่ย เราขบขันขันนนั่นหละออกจากนั้นนล้น่ยเอาไปพิจารณาอะวันที่เือแล้ววันพนี้ท่านก็จะสึกมี้ะไรท่าจะตำละวัที่เหลืยงไงไม่ทราบตอนวันรงนี้ท่านจะสึกนีหลังนั้นก็ไปบณาอีกเราคิดหรือต้องยาวใจเล่นคอมนิปหั่นแหละเวลาไม่ไคิดมันไปมันเองตอนนี้มาสรุปความอีกพวี้พวกที่เดลยดเหยียบ เอาเป็นขี่แตอมันเหยียบขี้นี้ด้วยมันเหยียบขีนี้ด้วยแล้วมีเพื่อได้ล่ะเัามีก็มีองค์ย้อนนี่แหละเราก็ว่างั้นเราทำต้านนี่ถ้ามีเดียวเนี่ยพอตระวาอยู่เรนเราหน้าเหมือนใครก็แดขอกมานี่นะเราทํากล้านี้อยู่ด้วยนะก็มีองค์นี้ดิวก็สมควรเราพูดอย่างนั้นเรามีองค์นี้ที่โอกวัลสมควรบ้างในวันนี้ทั้งหมดเรากว่างั้น น่ากวัวรู้ปีกับมีตรงนี้บ้างที่เห็นเราพอสมควรเพราะท่านทรมานเจีเยดเราก็วากันเลตรงนั้นมีตวกบเจี๊ยดเหยียบทั้งนั้นมันเลยตมานมันเหยียบโอเยอะมีขี้แต่เยอะลากตัวไงหบขัน้าติโหยดเหนืออะไกันแน คำดีเราเวลาเราพูดเด้นต่านๆนี่ท่านน่าจะใโอ้โหท่านเอาการดูตาตาแม่งกหน้าก็กันอยู่เหมือนกันเน่ยเอออย่างนี้ก็ยิ้ยังมากก็ยิ้นิดนึงเพรานั้นท่นพูดดีองค์กรมาดีมากนะอ่อ คขมีหลายเงื่นที่ต้งตั้งมาเามาอยู่นี่ผมว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้อุทิพระเทเรนังในระยะนี้ปะประชุมก็ไม่นานเพราะวันหนึ่งี่นัเทพปะชุมท่านนั่งอยู่นู่่างท่านนี้หัหมวกนี่อืมเทพก็ไม่ได้ยินพราะวันหนึ่งจะเข้ามาขวนทันปุ๊บป๊าปมาอะไรเนี่ ผมขอการท่านอาจารย์แรนเดผมรู้สึกจะอาพัพว่าไงมันอาภัพอะไรว่าเรื่งหัวหมวกว่าท่านอาจารย์เทนไม่ได้ยินก็ท่นตภาพทอสมยม่ปฏิบัติตามเรื่องว่าพรเรอทำมามมาฟังใกล้ๆลาว่ะนั่นสิวาอย่ากกันลังนั้นสิตอะไรท่านมาฟังใกล้ๆหน้าท่านหูหมวกน่ะมันาภัพนั่นก็แค่สาภาพมันพอแก้ได้นี่นะอาัพอย่างนี้นะระหว่างนั้นนะ ไปเลยานเลยพุทก็กลับไปตอนที่เข้ามาเนี่ยท่านนี้พอวันประชุมาหนังพูทธก็ใจสนั่งไหนใจวผมนั่งที่ไหนว่ญญ า, านั่งที่นี่เนี่ยเราว่านั่งฆาตการเนี่ยนั่งอนี่เลยพอเทจบเราเป็นไงได้ยินได้ยินท่านไหมออกรับวันนี้นนาาทักคำว่างั้นนะเข้าใจไปตูกบัวตูบาทน่ะ พอเข้าใจว่างั้นนะทนก็พูดดีตอนพอเพอข้าใจอยู่นะก็แสดงว่าไม่ทุบตุบุบบาทว่างั้นพ่อเข้าใจอยูนเราละก้อนได้นะ <c oughs> แต่ว่าองค์นี้พูดนั้นเราเอาแน่มาได้ว่ั้นถ้าเป็นลูกอื่นพูดมันก็จะได้ความคันเหมือนกันเราพอเข้าใจนะแต่องค์นี้พูดคําว่าพอเข้าใจเจ้าหลวงไม้เขามาจากไหนเราก็แปลไม่ได้อีกเหมือนกันเราคือแปลไม่ถนัดว่างั้นเดินะ <c oughs> <c oughs> นะหนาหนาดูดอยู่ฟังเป็นครูใชคงไปคงมา อยากขานันยังขันติดกันอีกมากจท่านอาจารย์มันเ่ยทํานิบัติต่อคนได้ทุกทุก ท, ทุกขั้นนะบางทีท่านท่านพูดกับพระองค์ที่องค์ที่เซอรอที่สุดนั่นนะท่านจะพูดแบบเซรที่สุดเหมือนกันอือขกลมท่านกันมั่นคือเราเวลาเราฟังอมันเราฟังนะฮะพูดกับพระองค์ที่เซอรอที่สุด ซื่อที่สุดคือชื่อที่สุดเชิที่สุดท่านจะพูดแบบซื้อและเชิ่อที่สุดเหมือนกันอื่ชอบกลเล่นได้ทุกอย่างเพราันเล่นได้ทบกลุกทุกครั้งของจิตใจนี่ใาวันหนึ่งก็มีเองึน้าน้าาเป็นทางด้านทงจบว่าารช้าการเดินผ่านนี่กับคนซื่อเหมือนกันคนด มันโคก อ, อ่ะไอ้เรื่องของป้อนสมองท่านไม่เคยสนใจแต่ท่านบอกคงจะพูดมีความหมายอะไรอาจจะเป็นการทดลองทดลองดยู่เขาก็ได้นะถ้าท่านจะพูดเพื่อจะชื่อกขาชื่อมีทิศมีหรือบบเปล่าคือคนเคยบวชเป็นคาแล้วตึกแต่เขาเรียกคิดนะทิดมีหรือครับหรือเปล่าหน้าอยู่ น่ะมันมีขมาหมอมาไหมล่ะหน่มีไม่อดข้าหมอมันกินไปไหมล่ะหนึงวันโอ้เขากิกบบนกันทั้งโลกแล้วครับหมเขากินกันทั้งโลกแล้วเท่านั้นแหละล้วไปแล้วเขาไ่เกิดอยู่ในเรื่องทุกอย่างบางคนเขายอมเขาอยูนเรืองสีใหญ่ไปทำไม่ข้าครับ ไม่พอยางนไม่ได้ที่เงยราคอยอู่ว่าไอ้คลิปเม่เนี่ยแก่เจ้าสมอมาขายช่างอยู่ไหนะถ้าตัวเงยเราจะเอามาเกียวกัคลิปเ่เนี้ยของเราเนี่ยเขาก็ไม่ถึงแกะมันมันมีแว่ามาเลยแ้วเวลาวันสองวันข้างข้างข้างสามวันแล้วยาวเจาหมอมันมีอยู่ตรงไหนเนี่ยาว่าเงียักษ์เง้กษ์ราอยู่ไหนเจ้ามีจุดตรงใชหโอหนาจ้นแหม่เลยน แล้วมันมีลูกคก่ต้อนไหอ่ะมันไม่คู่ตอนนันแหละพหน้านี้ไม่อบเี้ยนรถัดไปก็เนี้ยผ้เขาอืมารทว่าท่านจะไม่เคยพูดอย่องนี้นะทนมันล้าะที่ท่านเรียนคนเชิดอะไรเรีนอะไรนะทรานมีแล้วเขาร่ิตพิจารณาไรนท่องท่านเราโอ้เราไม่กล้าหลังนั้นถึนะ แล้วาอาอเจียวเนี่ยท่านจะมั่นนะ่านไปหลายวันในกันประมาณก็สือห้าวันนี่นนกันไอ้สมอนั่นอ่ะไอ้ันนั้นเปรี้มีไหมนั่นอ่ะท่านหลายครั้งแั้ว น, นะฮึอมจนเปรี้ยวจนมันจนผัดผัก ข, ขมขมไม่ดีอ่ะนะท่านเขาขยายมานะัน่ะ ไอ้ตอนน้เที่ยวเที่ยวฉันนี่ดีมีแม่รอโอมีแม่อดอีเลส <laughs> <laughs> ามวันไม่อด็ปาหนเนี่แม่แต่คือการขยายมากนะใช่งไหมครัมถ้ากำบาราลาสลุปคนเรานะอือเอ้ยตันเที่ยวเที่ยวม่ันดีดเน่ยมีแม่มีไม่อดมีแม่อ ด, อ, ดอยู่เรื่อยไม่ได้เลิกสนิทสาวัน น, เ, น, น, น, น, เ, นเรื่องมาเทศใ่ไเทศธรรมดาเนี่ยแต่เทศไปเทศมาไปสัมผัสคืเรื่องเนี่ยเรื่องคนคือคนเซอรอนั้นก็เลยยกเรื่องเนี่ยตะคู่เรื่องจิตทํามนียมานี่เรืิตนีเนี่ย เราก็ทนหลงนึกสามผันไม่ได้เรื่องคนคงถ้ารอเสียมไปขุดมันถึงจะรู้เรื่องเรานั่นในวันที่เราบุญอ่ะถ้าเสียมไม่ขุดลงนี้ตอบไม่ใส่ลงไปนี่มันคงไม่รู้ออมันคงไม่ตื่ว่างนั่นนะนั่นนี่อาคนที่มันน้ำมันหายอย่างนี้เนี่ยทางนั้นท่านมีเห็นผลท่านเนี่ยพระเภอนี่ประเภทเกาประเภทเสียมทางั้นนะธรรมดาไม่เรื่อง ผมพูดทังสามว nope. oh ันเราก็ได้ฟังทุกวันเ่ยเพราอยู่กท่านกอนเย็นๆแต่ทานาทามาน้ำซีตรงกบวันนี้ติดก็เลยไม่ไม่เคยหมอจะมาเลยไม่เคยจะเอาให้หมอมาเยี่ยมดีไหม่ายอยู่จะไม่อดทั้งนั้นข้างข้างข้างที่สามนี่ขัางข้างที่ ชักสุดนะถ้าเราคนโง่กับชักอาจากย์เขาจะว่ามันนะอือนี่ป็อย่างว่าเน่ะผมไม่ใช่ว่าผมโง่ถ้าไม่โง่ออถ้าปพวกแพ่เสียมเพยเจ่าแล้วมันก็ไม่ถึงอย่างว่านะแต่กันว่าเพศเจ้าเพเสียต้องขดลงท่านนะคุณดูดีขากันอย่างนีว่าใช่ท่านมันทกตามไม่ทันนะไม่ใช่ท่าน เดี๋ยวกับบุคคลนี้เป็นในรายๆเลยไม่หราบว่คนนั้นเป็นยังไงนี้จะต้องเป็นไปแต่มันแต่มันแต่มไม่มีทั้งกันอ่ะท่านจะมาปฏิบัติกับคน ค, คิดว่ายโยนความสะาดแหลวคมรอบูกวนีพอดีน้องสาวมาเยี่ยมด้ยน้องสาวลาน้องสาวสุดท้องด้วยคือสุดท้ อ, องทั้งนี้นะักชาคนนี้เป็นคนสุกท้องเหมาอนเดิมนะที่ตามมาเยี่ยมท่านนะ พอมาที ặt, uh ่ศาลาไถามเรื่องราวทราบเรื่องราวแล้วกันเื่อพูดภาษาเยอรมันน้องสาวทื่องสาวมาเรื่อยมาจะกอเหอีีวันหรออ่างเงนผุคองอีวันทพรัองนั้นมันตามมาแล้วแหละมันยังเหลือคนเดียวที่หละบอกนมาหลังนั้นอีวันหรออ่างเงนอีนัทอีนี่ธรรมดาตั้งโบราณขเราเลยแคอะไรอย่างนั้น เวลาไปเราก็จะค่อยฟังวันนี้ท่านจะปฏิบัติไงกับน้องสาวท่านเพราะเรามันดูอย่างนั้นแหละอย่างเวโอ้โหเวลาเาพูดกับูกับน้องสาวท่านนะเป็นแบบพี่กับน้องล้วนๆเลยนะคุยหญิงเหมือนในโคเรือนเลยนะแต่ละคนนะเหมือนพูดกันในโคเรือนเหมือนกับท่านก็ไม่ใช่พระนะเหมือนกับพี่กับน้องจริงๆอยู่คุยกันในโคเรือนอย่างงั้นนั่อย่างนี้เรคุยกันสนุกกว่าเลย่ะนานขนาด เฮ้ยพอน้องถายกลับไปพักหายเงบเลยไม่ทราบไปไหนแย่เหลือเลยนะกันอาจวันอย่างเนี้อาจารย์ตรงนี้ให้มาคู่กับน้องท่านโอ้โหทัานพูดหมายคำว่าที่ว่าแบบพูดแบบคารวะไม่ได้หมายถึงว่าหยาบนะคือกิริยาแค่กิริยาเหมือนคารวะบานที่กับน้องจริงจอยู่ในโคเรือนกันก็าั้นโคเรือนเดียวกันคุยกันอยู่ในโคเรือนธรรมนาธรรมนาธรรมนากิริยานี่แต่กิริยาที่กับน้องซึ่งไม่เคยบวชเลย น่านนี่นะธรรมดามือเนี่ยคงตั้งแต่ตเยอะอยู่แลเนี่ยนี่พอน้องสาวกขไปแล้วหายเนี่ยไม่มีเลยเพิ่งจะปรากฏว่าขนาเดียวเท่านั้นที่น้องสาวไปยิบจียาเข้ยาที่ทนใช้คำใเพเรือนท่านเน่ยหลงคู้กับน้องทำเปนอยนี้แต่ก่อนเาเคยปฏิบัตินี้กับน้องออีคือนัยนงมาใช้จียามาใช้เพื่อมันเหมากผมกับน้องนี่เดี๋ยวมันงั้นน้องจะคิดอะไรต่ออะไรนี่บางทึงตออาที้มาใช้เพื่อให้มัน เห ม, มาะสมกับนา อ, อให้น้นมีความอบอุ่นมากอะไรอะไนองนั้นๆๆน่ะเห็นว่าท่านฉลาดที่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้ามีกี่องค์พูดกันแต่ไม่เหมือนกันโอไม่เคมหาเป็นทั้งที่อยู่กับท่านมันเป็นประดามอตามจะยื้อยาจะอาการการแสดงออกต่อองค์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลย<ม> คือครูอาจารย์หาท่านเหมือนกันเด็กครูอาจารย์แงหาท่านอย่างสมาร์ของกัาคกูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นท่านการส่านถงท่านการขาวหรือใครอันนี้เป็นต้นอ่างนั้นเถะผมนี้ไปจะเป็นอย่างนั้นนี้ไปจะเป็นนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ผมนีไปจะเป็นอย่างนี้เรื่ยเปนไม่สั้นไม่มีใครที่จะสามารถหายรับหายทอดทั้งท่าได้ แต่ท่านจำไม้เวลาเดิมต้มีเทปสนุกมากกว่าก่นไม่มีเทปเรื่องเสีดายหา่มาเยอะนแม่แต่ความจริงจะหาอะไรไปถวายท่านอันนี้ให้ลึกับภายคือาารมาปกติกันมีสงนันมีความรักท่านอะไรอะไรถูก่าถูกผนทานเราลุ่ ม, มลุ่มหมดเรามาเราก็ สั่งให้โยมหาเอาของที่เราต้องการให้ทํานั้นคำนั้นนะ้ ห, หเราไปเวลาจะไปโยมแม่ปอหรือก็ป่าปอกมะขามมะขามขูบแล้วปอกเอาเม็ดมันออกด้ว่อยๆออกอจนเนื้อๆไปเราก็ต้องหวนไว้ถวายท่านโดยเฉพาะดยเฉพาะกับน้ําตาลอะไรเรียกเลน้องทุกวันทุกวันให้ข้าแต่แก่ต้องน่ะยิ่งไปของแม่เราด้วยแล้วโอ้โหมันดิ่งหงงหงงคนงเราอย่างนั้นแหละ มันเข้าตัวจะเหมือนเลยเนี่ยอืมอ้มอืมแล้วถ้ากการเนี่ยไม่หรอกตอนนั้นมันผ้ามันหายอย่างเนี่ยผ้าได้บ้านเนี่ยบ้านที่เราคอดเองเนี่ยที่แม้คอเป็นพระขาวนี่ขอฝากประวันท่านการเรานี่ว่าขนาที่เราเรือกจาบท่านหน่อยเราขอข้อสารนี้ไปถวายท่าการนะฮะ ถ้าจะทําแลก็แล้วแต่จนถ่าจะทุ่มจะเท้าอพอใจทั้งนั้นขอได้เข้าหานท่านก็แล้วกันพอ้อกไปพอไปก็ไปกับเพียงท่านสนึ่งาเพระข้านี้เป็นโยมแม่สั่งมาถาวา่านการแล้วถ้าท่านการจะใช่ไงเมตตายยมแม่แล้วยมแมกเป็นมอแม่เป็นี่พอใจจะเป็นาจะทุมจะเท้าอะไรพอใจทั้งนั้นขอท่านาเมตตาพอรํามา เอาผ้ายมแม่ทาหานเหมนมตัดเป็นขึ้นอนจะทำเป็นที่นอนพอเขาดูผ้าผ้าที่เอาไปนั้นพอดีขึ่นอนพอทานเขาโโหเราก็จะขอหดวงฟ้าไม่มี่ก็ยจะเหาะนเราก็ดีลูกยมแม่อยู่วโอโหถ้าผ้าเียนคุกเลยร่ะไอ้เสวผ้าหนึ่งทันทีทันใดเลยปุเป่าไปา็ทำดัดใส่เป็นที่นอนใหท่าน ท่านก็นอนนั้นจนกระทั่งท่านมรณะภาพวันมรณภาพเขาอกมรณภาพก่อนนั่นเลยคือเอาไปด้วยนี่ท่านจะนมออกไปด้วยล้วพระตำขัน น, น, น, น, น, น, นั่นนี่ว่าง่ามันมีมันมีาอยู่ในน่านหนักอะไรตัวอะไรก็ว่วแ่จนกรทั่งทาง่นรรานมรณภาพก็อนอนอยู่นั่นเลยมรณภาพที่กุมนนอ่าสุดท้ายแต่เวลามาสู่จริงอะไร อันนี้มันมันพูดไปถึงหมาใช่นะก็เลยนะ ม, มใครจะไปอาดเดิ้ลอะที่นอนท่านอะก็มีไอ้แหวมที่ที่ม ห, หมาอ้แหวมไอ้หมาตรงนั้นมันมันลูกอะนะเขาเดียมันถ้าถาเนี่ยเขาเดียวลูกทอดมันพันพันทางพันทางอ่นะมันหน้าล้างมากมันฉลาดด้วยเวลาอาจารย์พักผู้ติท่านอาจารมั่นเนี่ยเขาเคยมานอนเศ้าพอพอหกโงเยน็นเขาจะมาทุกวันมานอนอบันได คือราเท้าหนึ่งมานอนยันใดมันตลอดพอพอสว่างแล้วก็หนผู้วันผวันนั้นก่ากลังหน้าแล้วมันเพิ่งรอบปีนแค่ปีห น, นึ่งพุคงใหวันหนึ่งเพิ่มฝนทำแต่คอยมานิดหน่อยเขาอล็อกอีกอีกอนั่นนี่วนนี่นี่เราคิดตรงฐานแว้ยอมมงหนาวเลยอ่ะตกเลยมันขึ้นมานี่ยไงเอาขึ้นมาโอปาเยขึ้นมาอหน้าที่นี่่ะป้าพักนอนที่นี่เอมันดูกาชาคนนะ มอนที่น่มผ่าอนที่นี่เ น, นี่ยคือขึ้นมาเนี่เป็นันจะตัวมุกอย่างนี้นยหนึงหนึ่นงเป็นเจตัวมุกลดขึ้นมาที่นั่นแ่มันนอนเน่แล้วฝนก็มาตกถุกกออ ง, งเพอลังพระโมเอนเขาขึ้นมานอนทุกวันนอนนั้นนี่เขาคงจะคิดยังไงม่สา น, นันตอนพอเรา ล, ลงไปพอหนึ่งพอเรา ล, ลงไปหาท่านอาจารย์มาสูบเาขึ้นมนันเขา เขาก็ลุกแบบนี้แหะตอนกางวันเขาเขาขึ้นมานอนนะตอนกางวันพราะเขาได้ที่นี้เล้วกลางวันเขาก็มานอนออที่นั่นเขาจะนอนเพราะว่าตอนกลางคืน่ะไอ้ไอ้ที่ด้านเท้าน่ะถึงหกโมงเย็นแล้วเขามานอนพอหกโมงเช้าเขาก็ออกให้พอให้เราให้เขาขึ้นมานอนที่นี่แล้วทุกวันเขาต้องมานอนที่นี่ทุกคืนนะถ้าเกิดทุกคืนเวลาที่นี่แล้วกลางวันเขาขึ้นมานอนเวลาเขาอยากจะว่าพขาก็มาพักตรงนั้นแหละแค่คนต่อมานี่งว่างเราก็ มึงเขานอนทำสบายอยู่นีนอนแหวมคูไปนี่ก่อนครู้ปเขาไปมองดูเราก็ลงมาคุยกับท่านจาต้องฝูกลมมาที่ไหนได้ไอ้ที่นั่งเรามีอัสนะมีอะไรเนี่ยเขาขึ้นไปนั่งมันจะนอนดูอัสนะโถแวมทำไมใช้ถุงนังเขากระโดดลงมาเราก็ไม่ทําไรก็สบายแหวนสบายแหวนใช้ถุงหนังวันนี้เขาก็บ่าเขารูสิตรงนันเอ คอเห็นเราไปทาไมแหวมเราแขนถุงรางนี้ก็ุมาเลยมาที่นั่นอ่างเราไม่ว่าอะไรเขาก็คงว่าคงไม่ผิดคงวางนั่นน่ะนะถ้าเป็นไทยเรานี่คงไม่ผิดวางน่ะไทยฟังมดีนะให้วนน้ำอีกแล้วก็ไปหาอาจารย์มาหาตดอนนี้ประตูเราให้เปิดนอนๆหน่อยร้องในห้อง เขาเดี้ยยื่อแป๊บพอประณแล้วคว้าพอปรมาณมืออาชนาของท่านจันมันเราอาชนาหท่านจัมั่นเลยไอ้โยมองเห็นตาตาสแฉะเลย้แหวมอะไระรบป๊อกออกมาคว้าไดหางดึงมว้ถึงแล้วฝั่มือใสจะตุ๊บดึงมันได้เป็นเงี้กแบบมโดนเลยไอนหลังมาที้อี้อยู่งผมคตกอี้อี้ตามเถอวันี้ไม่เอาอย่าไม่เอาร่องวันนีก็ไม่นอนใต้ทิ้งน่ะคือ้ทงไม่ใช่ใต้ทิ้งไปกนะแต่ทิง เลยบได้เขามานึ่หน่ะยเลาขนตกนะถ้าอานั้นเราเราไม่ไม่เขาขึ้นเดี๋ยวเขาจะตีขึ้นขืนมันหลังเรากลัวเขาตกตายผมใจไ <laughs> ม่พอหัวแหลมก็มีพูดพูดทะลุที่คาดคือแหลมที่นอนท่านจันมั่นอ่ะมีแหลมนั้ น, นะทะลุที่พายให้ <laughs> ของดีนอ่ะ นี่สอง้องหานยูเพราะมันมันเก่าแล้วนี่ พ, ม, พมันสื่นเด็เ น, น่การมเ้ามันก็หลายีแล้ว่ามันเป็นท่าทดลองเมตตางทีนะที่น้องทาเมตตาของเรีนะ